นัยยะสำหรับวินิจฉัยขันห6ประการก็แล้รันทราบอย่างนั้นแล้วเพื่อความแตกชานแห่งความรู้ในขันทั้งหลายนั่นแหละผู้มีปัญญาพึงทราบนัยยะสำหรับวินิจฉัยโดยชอบคือโดยลำดับโดยความแปลกันโดยความไม่ย่อนไม่ยิ่งโดยอุปมาโดยเป็นสิ่งพึงเห็นด้วยอาการทั้งสอง และโดยความสำเร็จเป็นประโยชน์แก่ผู้เห็นอย่างนั้นต่อไปในยะโดยลำดับในในยะหกประการนั้นในข้อว่าโดยลาดับนี้มีวินิจฉัยว่าลำดับมีมากอย่างคือลำดับแห่งความเกิดขึ้นลำดับแห่งการละลำดับแห่งการปฏิบัติลำดับแห่งภูมิ ลำดับแห่งการแสดงในลำดับห้าอย่างนั้นลำดับเช่นว่ารูปเกิดเป็นกาละละก่อนต่อกาละละเป็นอพุ t ะดังนี้ชื่อว่าลำดับแห่งความเกิดขึ้นลำดับเช่นว่าธรรมะทั้งหลายที่พึงละด้วยทัศนะคือโซดาปติมักธรรมะทั้งหลายที่พึงละด้วยภาวนาคือสกะทาคามิมัก อนาคามีมักและอรหัตมักดังนี้ชื่อว่าลำดับการละลำดับเช่นว่าศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิดังนี้ชื่อว่าลำดับแห่งการปฏิบัติลำดับเช่นว่าธรรมะทั้งหลายเป็นกามาวจรธรรมะทั้งหลายเป็นรูปาวจรดังนี้ ชื่อว่าลำดับแห่งภูมิลำดับเช่นว่าสติปฐานสี่สมปทานสี่หรือว่าฐานกาถาศีลกถาดังนี้ชื่อว่าลำดับแห่งการแสดงในลำดับเหล่านั้นก่อนอื่นลำดับแห่งความเกิดขึ้นใช้ไม่ได้ในที่นี้ เพราะขันทั้งหลายมิได้เกิดขึ้นโดยกำหนดก่อนหลังดังการ ล, ละรูปเป็นต้นลำดับแห่งการละก็ใช้ไม่ได้เพราะขันที่เป็นกุศลและอภิยากฤตมิใช่สิ่งที่จะพึงละลำดับแห่งการปฏิบัติก็ใช้ไม่ได้เพราะขันทั้งหลายที่เป็นอกุศลมิใช่สิ่งที่พึงปฏิบัติ ลำดับแห่งภูมิก็ใช้ไม่ได้เพราะขันศีลมีเวทนาเป็นต้นเป็นสิ่งที่เนื่องอยู่ในภูมิทั้งสี่แต่ลำดับแห่งการแสดงใช้ได้ด้วยพระผู้มีพระภาคทรงหวังประโยชน์ใครจะโปรดเวนยชนผู้ตกอยู่ในอัตคาหะคือความยึดถือว่าเป็นตนในขันทั้งห้าโดยไม่แยกกันให้หลุดพ้นจากอัตคาหะด้วย ให้เห็นโดยกระจายกลุ่มก้อนออกไปจึงทรงแสดงรูปประขันอันเป็นส่วนหยาบเป็นอารมณ์แห่งจักขุเป็นต้นก่อนเพื่อให้เวเนยชนนั้นกาหนดจับเอาได้ง่ายต่อ น, นั้นจึงทรงแสดงเวทนาอันเป็นส่วนความรู้สึกในรูปอันน่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาทรงแสดงสัญญาอันเป็นส่วนความยึดจํา อาการแห่งอารมณ์ของเวทนาโดยนัยยะตามที่กล่าวว่ารู้สึกสิ่งใดก็จำสิ่งนั้นดังนี้ทรงแสดงสังขารอันเป็นส่วนความปรุงแต่งคือเนึกคิดไปตามอำนาจแห่งสัญญาทรงแสดงวิญญาณอันเป็นที่อาศัยแห่งขันสี่มีเวทนาเป็นต้นนั้นและเป็นอธิบดีแห่งขันสี่นั้นด้วย นัยยะสำหรับวินิจฉัยโดยลำดับพึงทราบโดยนัยยะดังกล่าวมาชนนี้เป็นประการแรกนัยยะโดยแปลกกันข้อว่าโดยแปลกกันคือโดยแปลกกันแห่งขันทั้งหลายและแห่งอุ ป, ปาทานขันทั้งหลาย ก็ความแปลกกันแห่งขันและอุปทานัขันทั้งหลายเหล่านั้นคืออะไรคือในขันและอุปทานนันขันทั้งหลายทั้งสองนั้นก่อนอื่นขันทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยไม่มีอะไรแปลกส่วนอุปทานนักขันตรัสไว้แปลกกันโดยความเป็นขันที่เป็นไปกับอาสวะและเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน ดังตรหนัดไว้ว่าภิกษุทั้งหลายรอจะแสดงขันห้าและอุปทานขันห้าแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังเรื่องขันนั้นภิกษุทั้งหลายขันห้าเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายรูปทุกอย่าง ท, งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันจนถึงอยู่ในที่ไกลหรืออยู่ในที่ใกล้ก็ตามกลุ่มรูปนี้เรียกว่ารูปประขัน เวทนาทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นกลุ่มเวทนานี้เรียกว่าเวทนาขันสัญญาทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นกลุ่มสัญญานี้เรียกว่าสัญญาขันสังขารทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันกลุ่มสังขานี้เรียกว่าสังขารขัน วิญญาณทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นกลุ่มวิญญาณนี้เรียกว่าวิญญาณขันพิกษุทั้งหลายกลุ่มเหล่านี้เรียกว่าขันห้าภิกษุทั้งหลายก็อุปาทานขันห้าเป็นอย่างไรภิกษุทั้งหลายรูปทุกอย่าง ทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นจนถึงอยู่ในที่ไกลหรืออยู่ในที่ใกล้ก็ตามเป็นไปกับอาสวะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานน้เรียกว่ารู ป, ปูปาทานขันเวทนาทุกอย่างทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันเป็นต้นเป็นไปกับอาสวะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน น้เรียกว่าเวทนูปาทานะขันสัญญาทุกอย่างเป็นไปกับอาสวะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานนิเรียกว่าสัญญูปาธทานะขันสังขารทุกอย่างเป็นไปกับอาสวะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานน้เรียกว่าสังขารูปาทานะขันวิญญาณทุกอย่างเป็นไปกับอาสวะเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทาน นี้เรียกว่าวิญญาณุปาทานขันธ์ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้เรียกว่าอุปาทานขันธ์ห้าดังนี้ก็แลในขันธ์ทั้งหลายนี้ขันธ์สี่มีเวทนาเป็นต้นเป็นอนาสวะบ้างก็มีเป็นสาสวะบ้างก็มีชั้นใดรูปหาเป็นฉันนั้นไม่ แต่เพราะเหตุที่รูปนั้นเป็นขันก็ถูกด้วยอัฏถาว่าเป็นกองเหตุนั้นจึงตรัสไว้ในพวกขันแท้และเพราะรูปนั้นเป็นอุปาทานขันก็ถูกด้วยอัฏถาว่าเป็นกองด้วยด้วยอัฏถาว่าเป็นสาสวะด้วยเหตุนั้นจึงตรัสไว้ในพวกอุปาทานขันส่วนขันสี่มีเวทนาเป็นต้นที่เป็นอนาสวะ ตรัสไว้ในพวกขันแท้เท่านั้นที่เป็นสาสวะตรัสไว้ในพวกอุปาทานขันก็แลเนื้อความในคําว่าอุปาทานขันนี้บัณฑิตพึงเห็นว่าขันทั้งหลายเป็นที่โคจรหรือโคจรแห่งอุปาทานชื่อว่าอุปาทานขันดังนี้เถิด แต่ในประกรณ์วิสุทธิที่มากนี้ท่านประสงค์เอาขันแท้และอุปาทานขันทั้งหมดนั้นรวมกันเข้าว่าขันในยะโดยไม่หย่อนไม่ยิ่งข้อว่าโดยไม่หย่อนไม่ยิ่งมีวินิจฉัยว่า ถามว่าเพราะเหตุไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสคันไว้ห้าเท่านั้นไม่หย่อนไม่ยิ่งแก้ว่าเพราะทรงสงเคราะห์รวบรวมสังคตรธรรมทั้งปวงเข้าด้วยกันตามที่เป็นสภาพกันหนึ่งเพราะวัตถุแห่งความยึดถือว่าเป็นตนเป็นของตนมีเพียงนั้นหนึ่งเพราะรวบเอาธรรมะที่จัดเป็นคันอื่นๆไว้ในนั้นได้หนึ่ง ด้วยว่าในบรรดาสังคตธรรมทั้งหลายอ mm ันมีประเภทเป็นอเนกเมื่อสงเคราะห์เข้าตามที่เป็นสภาพกันรูปจัดเป็นขันอันหนึ่งโดยที่สงเคราะห์เอาธรรมะที่เป็นสภาพกับรูปเข้าด้วยกันเวทนาก็จัดเป็นขันอันหนึ่งโดยที่สงเคราะห์เอาธรรมะที่เป็นสภาพกับเวทนาเข้าด้วยกันในขันที่เหลือมีสัญญาเป็นต้นก็ในยะนี้ เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสขันไว้ห้าเท่านั้นเพราะสงสงเคราะห์สังคต ธ, ธรรมทั้งปวงเข้าด้วยกันตามที่เป็นสภาพกันอันหนึ่งวัตถุแห่งความยึดถือว่าเป็นตนเป็นของของตนนั่นมีเพียงนั้นคือมีห้ามีรูปเป็นต้นสมพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อรูปแลมีอยู่ ความเห็นผิดอาศัยรูปยึดรูปจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวของเราเมื่อเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณมีอยู่ความเห็นผิดอาศัยวิญญาณยึดวิญญาณจึงเกิดขึ้นอย่างนี้ว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นตัวของเราดังนี้เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่ามีห้าเท่านั้น เพาวัตถุแห่งความยึดถือว่าเป็นตนเป็นของตนมีเพียงนั้นประการหนึ่งอันหนึ่งเล่าธรรมขันห้าอื่นมีศีลเป็นต้นอันใดพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แม้ธรรมขันทั้งหลายนั้นก็ถึงซึ่งความรวบรวมเข้าในขันห้านี้หละได้เพราะธรรมขันทั้งหลายนั้นนับเข้าในสังขารขันเพราะเหตุนั้น พระผู้มีพระภาคจึงตรัสขันไว้ห้าเท่านั้นเพราะรวบเอาธรรมะที่จัดเป็นขันอื่นๆไว้ในนั้นได้ประการหนึ่งนัยยะสำหรับวินิจฉัยโดยไม่หย่อนไม่ยิ่งพึงทราบดังกล่าวมาชนี้นัยยะโดยอุปมาก็แหละ วินิจฉัยในข้อว่าโดยอุ ป, ปมานี้บัณฑิตพึงทราบดังนี้ว่ารูปูปาทานขันเปรียบเหมือนโรงพยาบาลเพราะเป็นที่อาศัยอยู่แห่งวิญญาณูปาทานขันอันเปรียบเหมือนคนไข้โดยเป็นวัตถุคือพื้นฐานเป็นทวารและเป็นอารมณ์แห่งวิญญาณ น, นั้นเวทนุูปาทานขันเปรียบเหมือนความไข้ เพราะเป็นธรรมชาติเบียดเบียนสัญญูปารทานขันเปรียบเหมือนสมุดฐานแห่งความเจ็บไข้เพราะเป็นแดนแห่งความป่วยไข้เพราะเป็นแดนเกิดแห่งเวทนาที่ประกอบด้วยกิเลสมีราคะเป็นต้นโดยเป็นสัญญาอากุศลมีกามสัญญาเป็นอาทิสังขารูปารทานขันเปรียบเหมือนการเสพของแสลง เพราะเป็นเหตุแห่งความป่วยไข้คือเวทนาสมพระบาลีว่าสังขารทั้งหลายย่อมปรุงแต่งเวทนาเพื่อให้คงเป็นเวทนาตามสภาวะในยะเต็มเท่านั้นวิญญาณูปาทานขันเปรียบเหมือนคนไข้เพราะไม่พ้นจากความเจ็บไข้คือเวทนาโดยพระบาลีว่าเพราะอากุศลกรรม อันบุคคลทําไว้สั่งสมไว้กายวิญญาณที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นเป็นวิญญาณที่ร่วมไปคละเคล้าไปกับทุกข์ดังนี้อีกนัยยะหนึ่งอุปาทานขันธ์ทั้งหลายนั้นเปรียบเหมือนคุกและการลงโทษเจ้าหน้าทีผู้ลงโทษนักโทษและเหมือนภาชนะแห่งโภชนะคือข้าวกับข้าว ผู้เลี้ยงคือพ่อครัวและผู้กินก็ได้ในยะาสำหรับวินิจฉัยโดยอุปมาบัณฑิตพึงทราบดังกล่าวมาชนนี้ในยะโดยความเป็นสิ่งพึงเห็นโดยอาการสองข้อว่าโดยเป็นสิ่งพึงเห็นโดยอาการสอง ความว่าก็ในยะสำหรับวินิจฉัยในข้อนี้บัณดิตพึงทราบโดยเป็นสิ่งพึงเห็นโดยอาการสองอย่างนี้คือโดยสังเขตและโดยพิสดารจริงอยู่โดยสังเขตอุปาทานขันห้าพึงเห็นโดยเป็น่าสึกผู้เงื้อดาบจ้องจะฆ่าตามในยะที่ตรัสไว้ในอาศีวิสูปมาสูตรโดยเป็นของหนัก ตามที่ตรัสไว้ในพาราสูตรโดยเป็นผู้กัดตามที่ตรัสไว้ในขัจชนียะปริยายโดยเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นสังขตะและเป็นผู้ฆ่าตามที่ตรัสในยะมะกะสูตรส่วนว่าโดยพิสดารในที่นี้รูปพึงเห็นเหมือนก้อนฟองน้ำเพราะไม่ทนต่อการบีบคั้น เวทนาพึงเห็นเหมือนตอมน้ําเพราะเป็นสิ่งน่ายินดีคือดูงามอยู่ครู่เดียวสัญญาพึงเห็นเหมือนพยับแดดเพราะล่อใจสังขารพึงเห็นเหมือนต้นกล้วยเพราะไม่มีแก่นวิญญาณพึงเห็นเหมือนกลนเพราะเป็นสิ่งลวง ว่าโดยพิเศษอีกนัยหนึ่งอัจฉติการูปหมายถึงรูปภายในคือรูปของตนแม้โออาก็พึงเห็นว่าเป็นของไม่งามเวทนาพึงเห็นว่าเป็นทุกข์เพราะไม่พ้นจากความเป็นทุกข์สามอย่างสัญญาและสังขารพึงเห็นว่าเป็นอนัตตาเพราะไม่เชื่อฟัง วิญญาณพึงเห็นว่าเป็นอนิจจังเพราะมีสภาวะเกิดขึ้นเสื่อมไปในยะโดยความสำเร็จประโยชน์แก่ผู้เห็นอย่างนั้นข้อว่าโดยความสำเร็จประโยชน์แก่ผู้เห็นอย่างนั้นมีความว่าก็แลความสำเร็จประโยชน์อันใดย่อมมีแก่ผู้เห็นโดยอาการสอง โดยเป็นอย่างสังเขปและอย่างพิสดารดังกล่าวมานั้นบันดิตพึงทราบในยะสำหรับวินิจฉัยโดยความสาเร็จประโยชน์นั้นอีกบ้างข้อนี้คืออย่างไรคือข้อแรกโดยสังเขปประโยคนหาวจรผู้เห็นอุปทานนักข์นห้โดยความเป็นค่าศึกผู้เงือดาบจ้องจะฆ่าตนเป็นต้นอยู่ยอมไม่เดือดร้อนเพราะขันทั้งหลายส่วนโดยพิสดาร ผู้เห็นขันทั้งหลายมีรูปเป็นต้นโดยความเป็นเช่นก้อนฟองน้าเป็นอาทิอยู่ก็ชื่อว่าไม่เป็นผู้เห็นสาระในสิ่งที่ไม่เป็นสาระทั้งหลายว่าโดยพิเศษอีกในยะหนึ่งเล่าผู้เห็นอัจฉติกรูปโดยความเป็นของไม่งามชื่อว่ากําหนดรู้กะวลิงการาหาน ย่อมละความวิปลาดว่างงามในสิ่งไม่งามเสียได้ย่อมข้ามกามาโอขะได้ย่อมแยกตนออกจากกามโยคะได้ย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ทางกามาสวะย่อมทำลายกายคันทะเครื่องร้อยรัดนามากายคืออภิชาเสียได้ย่อมไม่ถือมั่นกามุปาทาน ผู้เห็นเวทนาโดยความเป็นทุกข์ชื่อว่ากำหนดรู้ผัสสาหานย่อมละความวิปลาสว่าเป็นสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เสียได้ย่อมข้ามภวะโอคะย่อมแยกตนออกจากภวะโยคะเป็นผู้หาอาสวะมิได้ทางภวะสวะย่อมทำลายกายคันทะคือพยาบาทได้ย่อมไม่ถือมั่นศีละพะตุปาทาน ผู้เห็นสัญญาและสังขารทั้งหลายด้วยความเป็นอนัตตาชื่อว่ากำหนดรู้มโนสันเจตนาหารย่อมละความมิปลาดว่าเป็นตนในสิ่งไม่ใช่ตนเสยียได้ย่อมข้ามทิฏฐิโอคะได้ย่อมแยกตนออกจากทิฏฐิโยคะได้ย่อมเป็นผู้หาอาสวะมิได้ทางทิฏฐาสวะย่อมทำลายกายคันทะคืออีทางสัจจพินิเวะ ความปรักใจว่านี่เท่านั้นจริงเสียได้ย่อมไม่ถือมัน่นอัตวาทุปาทานผู้เห็นวิญญาณโดยความเป็นอนิจจังชื่อว่ากำหนดรู้วิญญาณอาหารย่อมละความวิปลาดว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเสียได้ย่อมข้ามอาวิชาอคะย่อมแยกตนออกจากอาวิชายโยคะได้ ย่อมเป็นผู้หาอานสวะไม่ได้ทางอาวิชชาสวะย่อมทำลายกายคันทะคือศีลและพระตาปรามาตรได้ย่อมไม่ถือมั่นที่ถูกปาทานเพราะเหตุที่การเห็นขันโดยความเป็นเพชฌฆาตเป็นต้นมีอนิสงส์งมากดังนี้เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาพึงเห็นขันทั้งหลายโดยความเป็นเพชฌฆาตเป็นต้นเทิน ปริเชที่14ชื่อขันธนิเทศในอธิการแห่งปัญญาภาวนาในประกรณ์วิเศษชื่อวิสุทธิมักอันข้าพระเจ้าทำเพื่อประโยชน์แก่ความปราโมทย์แห่งสาธุชนดังนี้จบปริเชตที่14คสีภคำีวิสุทธิมักพระพุทธโคสเทระรจนา